เราอาจชี้กับท่านอุปติสาหรือภาษาลิบุตรพบกันนะว่าเยธรรมาเฮตุปปปวาเตสั่งเฮตุงดธาคโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมโนว่าพระมหาสมณะคือาศาสนาของเรามีปกติตรัสเสมอว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุนะเราจะทําสิ่งนั้นให้ดีก็ต้องทําที่เหตุเราจะนั่งที่นั้นที่เสียก็ทําที่เหตุ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 และความไม่แยกขายตรงนี้เองเป็นอาหารของอวิชชาอ่ามันมีอาหารนะเพราะความไม่แยกข่ายอวิชชาจึงได้อาหารและอวิชชาได้อาหารก็จะเป็นอาหารอวิชชาก็เป็นอาหารของตันหาพอดันหาได้กําลังมากมากก็เป็นอาหารของอุบาทานอุบาทานได้กำลังมากมาก็เป็นอาหารของกรรกรรได้กำลังมากมาก็เป็นอาหารของกิเลสกิเลสได้กําลังมากเป็นอาหารของ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 พอติดพอติดทั้งจะมีพอเปล่ติดแผลพอจุดขึ้นปั๊บโยมมองดูแต่เปลวเหรอไม่ต้มองซ้ายก่อนแล้วเอาไม้ขีดจไปใช่แล้วหลังจากนั้นนะแล้วก็แล้วก็เห็นเห็นไฟติดขึ้นมาใช่แล้วหลังจากนั้นนะก็เห็นเปลวเปลวมันมันมั น, น, นมันลอยไปตามนั้นหรือเปลวมาอยู่ที่เดิมที่เดิมอะไรเละที่มันอยู่ข้างๆอะไร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 แต่ความแยบคายของเราแต่ไอการที่เราจะแยบคายได้ขึ้นขึ้ น, นองค์ประกอบอีกห้าอย่างหนึ่งต้องมีศรัทธาอย่างเข้มข้นสองต้องมีความเพียรสามต้องมีสติสี่ต้องมีสัพพิธห้าต้องมีปัญญาความแยบคายถึงจะเกิดถ้าคุณคิดจะแยบคายมันไม่ประกอบด้วยองค์ห้ามันแยบคายไเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวพอมันเบื่อมันก็เลิกแต่ถ้าปาระกอบด้วยองค์ห้ามมันจะแยบคายแบบยั่งยืนมันจะแยบคายทุกเรื่อง